มโนกรรมจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาทำดีผลของดีก็ไหลลงสู่มโนกรรมก็ไหลลงสู่มโนกรรมกรรมช่างหลายจะพ้นไปได้ก็ถึงพระอรหรันต์เป็นเจนเอาโหสิกรรมกรรมกว่านั้นลงมาต้องได้รับกรรมและผลของกรรมที่เจ้าตัวทาขึ้นสร้างขึ้นอยู่ทุกอิริยาบถ ของกิจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาความจริงในขั้นนี้ก็มไม่หนีจากความจริงในขั้นนี้แต่ดึกดำบรรพมาลัทธิใดๆจะมาเก่ง์กาอํานาจกว่าลัทธิพระพุทธศาสนาไม่มีเลยพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่สอนโลกเต็มภูมิอยู่แล้วศรัทธาเทว ม, ามานุษย์นัง่งเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหนา เต็มโฟมอยู่แล้วพระบรมศาสดาสร้างบารมีมาทีอสงไขยแสนมาหากับก็หวังเพื่อพุทธจริยาสามทรงประพฤตเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธเจ้าทรงประพฤตเพื่อเป็นประโยชน์แก่พญาและฐานเป็นพญาตทรงประพฤตเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกคําสอนแต่ละวัตระบาดสอนไตรโลกธาตุทั้งนั้นสอนมรุษสมบัต สอนสวรรค์สมหวดสอนปรมสมหวดเป็นพอรอบวเดียวกันด้วดกระพุทธเจ้าองค์ก่นกอนและที่จะมาในอนาคตไม่ได้แข่งแย่งกันเลยไม่ได้เปลี่ยนพอรอบวกันเลยมีพระราชบัญญัติอันเดียวกันก่อนแล้วพระบรมศาสดามารู้ธรรมไม่ใช่มาแต่งทำพระธรรมรมีอยู่ก่อนแล้วเป็นเพียงมารู้ธรรมเท่า น, นั้นเหตุนั้นพระบรมศาสต ร, สราจึงเคารพธรรม ไม่สำคนคันตัววันอยู่เหนือธรรมดูเหนื้อความจริงไปได้ยกอุทาหรณเพื่อให้เข้าใจครับนัฐภิใดๆในไตโรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวคล่อยๆกับเข็มทิศจะไม่กี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนา โดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึงไม่หลายทางน้ำให้น้องครองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คาสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอกพระพุทธศาสนาปกครองโลกมาตั้งแต่ดึกดําวันโรคจะขี้โอ เขารบนับถือหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาจะมาเอาเรื่องเอาราวกับชาวโลกไม่เป็นเรื่องของทำคําสอนของพระบรมศาสดาจะมาเอาเรื่องเอาราวกับชาวโลกเหมือนกับร่มไม้ใหญ่ๆผู้ที่จะเข้าพึ่งหรือไม่เข้าพึ่งมันก็เป็นเรื่องของผู้เข้าพึ่งไม่เป็นเรื่องของต้นไม้จะมาเอาเรื่องเอาราวกับผู้ที่จะเข้าพึ่งเหมือนน้าเหมือนกันน้ําใสสะอาดเย็นดี ไม่เป็นหน้าที่ของน้มจะโกรดให้ผู้ไม่เข้าพึ่งและไม่เป็นน้าไม่เป็นหน้าที่ของน้ที่จตุรีตรานว่าเราเป็นน้ำเย็นเราเป็นน้มสนิทแต่เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทาวันนี้เป็นทาลึกซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่สนใจทาจะรู้ได้เอ้ยกบาขวางใกล้ชาวโลกของเรา ก็ดีตัวของเราก็าดีเออเราจะอยู่กันด้วยวิธีไหนหนอแต่พระบรมศ า, ศาสดาทุกๆพระองค์มาตัดชลูในพระไตรโลกธาตุจะมาอีกครั้งหน้าก็มากกว่าร้อยโกดมาแล้วก็มากกว่าร้อยโกดจึงทรงพระนามว่าอเนกสะตะโกตโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกดมาแล้วก็มาสั่งสอนว่าทํำมีอุปการละมากสองหาง หนึ่งสติความระลึกได้สองสัมผชัญญะความรู้ตัวบุคคลที่ไม่มีสติเดินไปว่าชนอันนั้นชนอันนี้เปลืองปากเพราะไม่มีสติอยู่กับที่ไม่มีสัมผชัญญะอยู่กับที่ทำเหล่านี้จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างทำเป็นโรคบาลคือคุ้มครองโรคสองอย่างคุ้มครองโรคหัวใจคุ้มครองโรคตายคุ้มครองโรควายกาเป็นตน้นหรือคุ้มครอง โลกมนุษย์และสัตว์เทวดามารมณทั้งหลายทุกช น, น้าเิต้องใจโลกาความละอายต่อบาปนี้นี้ความละอายต่อบาปโอตระความสะดุ้งกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าทำสองอย่างนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจของมนุษย์เทวดามารมร์แล้วก็ปกครองกันไม่ได้ทําความชั่วในที่แย้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับเพราะไม่มีความยางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาป กฏหมายกฏหนูกฏทักทกฏทั่วกฏตั้งไม่อยู่อูของทำไม่ น, ำำนําคํานึ่งก็หมดที่เพิ่งพิงเองอาศัยทําความช่วในที่แก้งไม่ได้ก็ไป ท, ำทํำเลยสิครับ<ม>ข้อนี้เป็นของสําคัญว่าพวกที่ถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะผลของกรรมตามส่งนะักนะักจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาข้อนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะรู้ทางนั้น ใจมีคุณเป็นมหันและก็มีโทษเป็นอนันต์เหมือนกันถ้าทำถูกก็มีคุณเป็นมหันกับใจถ้าทำผิดก็มีโทษเป็นมหันกับใจใจก็เป็นที่พึ่งของใจอัตหิอั ต, อตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจทำเป็นที่พึ่งของทำก็มีความหมายอันเดียวกันธะเหตุที่ทำลงไปแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุ คือเหตุใจแล้วปฏิเสธให้ตาหูจมูกเล่นกายมันก็ไม่รับในทางดีก็เหมือนกันในทางผอก็เหมือนกันพราะใจจะเป็นผู้เป็นใจเป็นมีเป็นเป็นภาระคนเดียวผลของเหตุก็ใจเป็นผู้เป็นผู้ได้รับอย่างเดียวผู้สร้างเหตุขึ้นก็ใจเป็นผู้สร้างจะหลงสร้างก็ไม่เป็นปัญหาก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเข้า เหตุเดินผลก็เดินเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุสงสัยผลก็สงสัยอยู่ที่เมืองใจนัตถิพาราปรินายากาใจเป็นพาลไม่ควรเป็นหัวหน้าของกายของวาจาบันทิตาปรินายากาบันทิตจึงเป็นคนหัวหน้าก็คือใจ น, นี่เองคราวใด ใจเป็นผ่านใจหนักไปในทางกาลวิศวตกพยาบาทวิศวตกมีหิงสาวิศวตกผลลัพก็มาเบียดเวียนใจเหมือนกันหนักหนักพระพุทธศาสนาจับเอาอันนี้ที่นี้ละอายต่อบาปก็คือละอายใจที่นึกไปในทางบาส่งเสริมทางบาสนั่นเองอุดตระกูความสะดุ้งกลัวต่อแบบก็คือใจเป็นผู้สะดุ้งกลัวจะให้เดินฝ้าอากาศมาสะดุ้งไม่ได้ กัดหมายกดหมู่กัดพักกัดพวกก็ตั้งลงที่ใจบาปอย่างนี้ไม่อยู่กับที่ตัวบอสอาตัปอสะกุก็อยู่ที่หัวใจท้าหัวใจเป็นบาปมันก็เป็นบาปถ้าหัวใจไม่เป็นบาปมันก็ไม่เป็นบาปบุญก็เหมือนกันไม่ได้อยู่กับตัวบอสอุอยอผู้หญิงก็อยู่กับใจที่ทําเป็นบุญสิ่งไหนที่ทําเป็นบาปแล้วจะเป็นไปเป็นบัญญัติว่าบุญมันก็นบัญญัติไม่ถูก วันไหนไปกับบัญญัติพระบรมศาสตราองค์เดียวบัญญัติถูกพระท่านไม่มีเกลเล็คนเรามีเกลเอ็อยู่ขนาดไหนก็บัญญัติเข้าข้างตัวไปขนาดนั้นไม่ว่าเราไม่ว่าท่านผู้ อ, อื่นเราอยู่ระดับใดก็ต้องบัญญัติไปตามระดับนั้นแต่พระบรมศาสตราไม่มีเกลเอ็ดแแล้วมองเห็นธุลูป่งเลยธรรมนุสตาเป็นผู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งหทุกชัดแย่ก่อนจึงลงมือทํา อัคคัญโยตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งอิจต์อันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้รู้จักเหตุผลทุพภูมิโผลเสียก่อนจึงลงมือทําไม่ได้ทําพลาดไปเหมือนพวกที่มีเกียรตหนาปัญญายามนิสัมมะการนางเสียโยไข้ครวรเสียก่อนแล้วจึงลงมือทําเสียเลยดีกว่าถ้าเอาพระพุทธศาสนาเป็นแว่นเป็นกระจกเงาถึงแม้พลาด ก็ยังนับสิบลุกอยู่ถ้าไม่เอาพระพุทธศาสนาเป็นแม่เป็นกระจกเงาเป็นดวงใจแล้วเมื่อพลาดก็ดีนับสิบไม่ลุกเราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกันเหตุนั้นจะทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ได้พระรัตที่อื่นมันเป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวแล้วผู้ที่จะเบียดเวียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมลึกและตื้นสักเพียงไหนก็ตาม จะมีเล่เหลี่ยมสักเพียงใดก็าตามแต่ผลของกรรมก็าตามสนองอยู่ในไตรโลกธาตุใครจะวางแผนกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้ามันก็สู้ฟ้าไม่ได้มันก็ตกใส่หน้าตนเองนักนันะนะนะใครจะวางแผนกาฝนฝุ่นต้อลมเมื่อลมไม่พัดไหวกว็เข้าตาของเจ้าของนั่นเองนักนันะนะนะัพระพุทธศาสนาะ การอาบน้ําไม่อาบมันก็สกปรกกระกกจะปฏิเสธไม่ได้การปฏิบัติใจก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนั่ง น, นั่งกิตตัง้งทันตังทุกขาว่างจิตที่ฝึกฝนแล้วนําสุกมาให้กิตนอกจากใจไม่มีอัะไรจะทําประโยชน์ใา้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไระเบียดเวียนใจใจเท่านั้นทําประโยชน์ใา้ใจใจเท่านั้นเป็นผู้เบียดเวียนใจ ตาหูจสมูกเลยนกายหรือเรียนผ้าอากาศภายนอกไม่ได้ทำใจให้สูงขึ้นไม่ได้ทำใจให้ต่ำลงเมื่อจะต่ำลงในทางทิ่งชั่วกัใจทำใจให้ต่าลงเองเมื่อจะทาให้สูงขึ้นกับใจทำใจให้สูงขึ้นเองถ้าใจทำดีใจก็บวกดีอยู่ที่ใจถ้าใจทำชั่วใจก็บวกชั่วอยู่ที่ใจถ้าไปหาอันอื่นก็ยังตื่นไม่พบมาพุทธธรสงส่งอยู่ที่ใจพุทโธแปลผู้รู้ใจธรรมโมแปลว่า สงไหวซึ่งรู้ใจสังโฆแปลว่าปฏิบัติใจพุทโธแปลว่ารู้ระบาด บ, บําเพ็ญมุลหรือรู้ละความดีรู้ละความชั่วทำความดีธรรมโมทรงไหวซึ่งละความชั่วทำความดีสังโฆปฏิบัติละความชั่วทําความดีดกกรงพุทโธธรรมโอสังโฆก็เป็นเชือกสามเปลี่ยวทันกันอยู่ที่ดวงใจมีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยนับข้อนี้เป็นของจริง เป็นของเทโอปนัจโกวควรจะน้อมเข้ามาใส่ใจศีลตัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ลงในที่ใจนะแบกมือทีพระธรรมขันยดลงมาแล้วทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงมาในใจจงทาเกตให้บันเทิงในการละชั่วทำดี เป็นคําสอนของผู้ที่เจ้ทาทั้งหลายนั่นนั่นน่นย่นลงมาเป็นหนึ่งแล้วเป็นศีลตัวหนึ่งสมาธิตัวหนึ่งปัญญาตัวหนึ่งนะเรียกว่าเอกานิบาเรียกว่าสังคหารในย่นลงมาแล้วถ้าไมา่ย่นก็ขยายออกยาวเหยียบทั่วทั้งใจโลกธาตุมากมันก็มากออกจากใจความมีความชั่วก็เมกันย่นก็ย่นลงมาหาใจดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจชั่วก็ไปบวกชั่วยอยู่ที่ใจนั่น เราจะไปบวกที่อื่นเข้าใจว่ามันไปรวมอยู่ที่อื่นไม่เลยรวมที่ใจเท่นั้นใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาก็ต้องได้รับส่วนควรค่าของเหตุที่ทำขึ้นที่ใจเป็นนายกทำขึ้นนั่นนายโอแมลว่าผู้นาสัตว์ทั้งหลายออกจากโลกคือนำความผิดของตนออกจากใจ มนุสธรรมะเราบอกเรามาศาสตราสอนไว้แล้วอบายมุกทุกประเภทเป็นมนุษยิบัติเมื่อเป็นมนุษยิบัติก็เป็นสวรรค์ิบัตรก็เป็นชมวิบัติด้วยก็เป็นพระนิพพานวิบัตร ด, ด้ว ย, เ, ย, ดดวยเมื่อวิบัตรตัวกอทะาอากะบอทะลาขาอ่านไม่ออกแล้วก็วิก็วิบัติทั้งตัวขอคอไปในตัวตัวหอไปในตัวนับทั้ง ถล่าได้สะกุลการันด้วยนั่นเมื่อบัญญัติเมื่อผิดแต่ต้นะปลายก็ผิดเหมือนกันเมื่อทางต้นถูกปลายก็ต้องถูกพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งของชาวโลกเป็นดิ่งของความประพฤติของชาวโลกเป็นดิ่งแห่งการตั้งกฎหมายกฏหมู่กฏพักกฏพวกสิ่งไหนที่ปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันไปไม่ได้เช่นจำพวกที่ถือว่าไม่มีบาปไม่บุญเข้าไปได้ไหมนั่นเขาก็ไปไม่ได้ เพราะบัญญัติแข็งเขาเพราะพุทธศาสนานะเดี๋ยวนี้เขาก็โค้งมาหาบาปหาบุญแล้วเดี๋ยวนี้เพาเขาไปสุดขีดแล้วเขาเป็นกันเทศใหญ่โตของฐานแล้วจึงเป็นเหตุให้เชื่อกรรมและผลของกรรมผู้เชื่อกรรมและผลของก ร, รมก็คือเชื่อตนและผลของตนนั่นเองก็คือผู้ปฏิบัติตนและผลของตนอยู่ที่ใจนั่นเองนั่นตนก็คือใจใจก็คือตน เบียเบียนใจก็เบียดเบียนตนเบียดเบียนตนก็เบียดเบียนใจถ้าเบียดเวียนใจแล้วก็เบียดเวียนไปหมดทั้งกายทั้งวาจาด้วยนั่นนั่นนั่นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะมีอยู่ทุกท่านอริยธรรมเวทีโตนั่นลูกอนิยธรรมคือทําำในประเสริฐอยู่ที่จิตใจของพวกเธอนั้นเองนั่นพราบรมาสดาเราเป็นเพียงขี้บอกจะทําต่างไม่ได้หิวนอนก็ต้องนอนเองหิวน้ำก็ต้องดื่มเอง เราเป็นเพียงที่บอกเท่านั้นถ้าความดีไม่มีอยู่กับพวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายไม่สามารถทําความดีเราก็จะเอาความดีที่ไหนมาให้พวกเธอจิตใจของพวกเธอเป็นจิตใจที่ปราชิกว่าใบาเสียเฉลี่ยเมนุษย์แล้วเราจะาท้าข้อจุดขี่ความดีลงไในที่นั้นที่ความชั่วลงในที่นั้นให้เธอละชั่วทําดีนะนั่นจะเป็นที่พึ่งของเธอตลอดชีวิตพระพุทธศาสนาสอนโลกสอนอย่างนั้นสอนตนเองก็สอนอย่างนั้นแพ้ชนะ ไม่มีในไตโลกธาตุมีแต่เวนสนองเวนไัยสนองภัยชนะก็ชนะกิเลสของใจของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนแพ้และชนะภายนอกไม่มีในทางพุทธศาสนาแต่ชาวโลกเอามาใช้กันก็อนละมานอยู่ทุกยอมย่ า, านั่นนั่นนั่ง น, นั่งนั่งเอเพียงศส้นห้าเท่านั้นแล่ละถ้าโลกทั้งหลายมีศส้นห้าบริบูรณ์แล้ว ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเรือนจําก็ไม่ต้องมีเพียงเท่านั้นแหละเหตุอย่างไจึงล่วงละเมิดสิ้นห้าก็พระเหตุว่าล่วงสองข้อไปแล้วไม่มีความยังอายต่อบาปไม่มี ค, ความกลัวต่อบาปที่ตั้งหลักไปแล้วล่วงละเมิดความชั่ว ก็คือล่วงละเมิดความดีของตนนั่นเองทำความดีไม่ล่วงละเมิดความชั่วก็คือทำความก็เคารพความดีของตนนั่นเองนั่นนั่นนั่นฝนตกลงมาใส่กันเทพละทีนี้ผู้ถามก็เอาก้อนบุญถามผู้ตอบก็ก้อนบุญตอบเพราะเอาใจตอบเอาใจถามกันฟังเทศก็คือฟังใจนั่นเองผู้ไม่มีใจก็ฟังเทศไม่ได้ผู้ไม่มีใจก็เทศให้กันฟังไม่ได้นั่น นักหนักคนบ้าไม่เสียเฉลี่ยเพลิดมนุษย์ถ้บาบเรามาศาสดาไม่ทรงเทศแต่พวกเราเป็นมนุษย์สมบัติแล้วไม่มีไม่เป็นคนว่าไม่เสียเฉลี่ยเพลิดมนุษย์เลยนักหนักมีสมบัติเดิมมีมอละดอกเดิมแล้วใจเป็นมรดอกนั่งเดิมแต่มาเติมว่าตาหูจมูกเล่นกายนะกภายหลังงั่นนั่นนั่ น, น, น จะมาเกิดก็เอาใจดวงเดียวมาตาหูจมูกลิ้นว่านิ้หิวมาด้วยมาถือประสุนฏิสนธิในคันพระมานาก็เอาวิญญาณวิญญาณใช่แทนว่าใจเหมือนกัน น, น, นเมื่อไนเอาตาหูจมูกลิ้นกายมาด้วยตาหูจมูกลิ้นนั่นเองรวมเรีย ก, กว่ากายส่วนใจเป็นนา ม, มาธรรมเป็นวิญญาณก็ว่ามาโนแปลว่าใจมนัตก็แปลว่าใจ มนะก็แปลว่าใจมะนาก็แปลว่ายายใจวิญญาณก็ใช่แปนใจเหมือนกันคําว่าใจแปลเป็นไทยแล้วคําว่าจิตเป็นคําภาษาบาลีคําว่าใจแปลเป็นไทยแล้วคําว่าวิญญาณยังไม่ได้ทันแปลวิญญาณก็คือใจใจก็คือวิญญาณจักุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสดาวิญญาณวิญญาณทางหูคานะวิญญาณวิญญาณทางลิ้น ตาญวิญญาณวิญาณทางกายมโนวิญญาณวิญาณทางใจวิญญาณวิญญาณทางตานั้นคืออย่างไรเห็นรูปในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ารูปอันนั้นอันนี้เรียกว่าจักจุวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นว่าเสียงนั้นเสียงนี่เรียกว่าจักจุวิญญาณกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ากลิ่นอันนั้นกลิ่นอันนี้เรียกว่าคานาวิญญาณรสกระทบลิ้น อร่อยหรือไม่อร่อยหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณเกิดความรู้เกิดโหดทพัพกับทพกายเกิดความรู้เกิดว่าโหดทพะอันนั้นอันนี้เรียกกายวิญญาณธรรมมารมที่เกิดกับใจเรียกมะโนวิญญาณวิญญาณหกก็เรียกว่าท่านก็มาถามว่าวิญญาณมีจริงไหมหลวงปู่เออผู้ถามก็เอามาโนวิญญาณมาถามผู้ตอบก็เอามาโนวิญญาณตอบ ก็ไม่ควรจะถามกันผู้ตอบก็ไม่ควรตอบผู้ถามก็ไม่ควรถามคนตายแล้วเกิดไหมหลวงปู่ผู้ถามก็เอาก้อนเกิดก้อนตายมาถามผู้ตอบว่าก้อนเกิดก้อนตายไปตอบก็มไม่ควรถามกันนะชูมวยด่วนไหมวันนี้ที่นี้จะเปิดโอกาสใหล้ลูกหลานหลานตาลัารบราลัคนเดียวมันเบื่อหู เรารบอะไรเขาปลารบมาคักพระปลาลบมากแล้วเป็นหน้าที่จะแบ่งให้เพื่อนพูดบ้างงานพูดคนเดียวมันน่าเบื่ อ, อเคยภาวนาไหมไม่เอาอะไรภาวนาอ เ, เออนั่นแหละพุทโธอยู่ที่ดวงใจธรรมโมก็ทรงไว้ที่ดวงใจสังโฆก็ปฏิบัติที่ที่ดวงใจพุทโธเป็นอักษรยอ เมื่อเราปลาร็อกถึงพุทโธก็ถูกทรรโมด้วยก็ถูกสังโภด้วยเมื่อเราปลาร็อกถึงพุทโธเขาคาดจับว่าเราจับหัวปลาเมื่อเราปลาล็อกถ้าโมก็เขาจับว่าเท่ากับว่าเราจับกลางตัวปลาเมื่อปาเราล็อบสังโภเขาคาดจับว่าเราจับทางหางปลาไอ้ที่แคบปลาเหนียวกันเป็นเสืออสามเสียวอยู่ที่ทันพุทธะสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะจาพวกหนึ่ง พระเจกกระพุทธจําพวกหนึ่งบางท่านบอกว่าพุทโธพุทโธแพล่ผู้รู้แต่ไม่อธิบายผู้รู้มันก็ฟั่นเฟือผู้รู้ในพระสมมาสมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ชั้นที่หนึ่งคือพุทโธชั้นที่หนึ่งพุทโธชั้นที่สองคือพระพระเจกพุทโธชั้นที่สามคือพระอรหันต์ตาชีนาศกนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยคือที่เป็นสาวกพุทโธชั้นที่สี่คือพระอนาคารี พุทโธชั้นที่ห้าคือพระสักาคาครมพุทโธชั้นที่หกคือพระโสดาบันพระโสดาบันโสตาประสาทปัญญาของท่านมองเห็นทมทักแล้วถอนไว้ออกรู้จักขนทางรุดหน้าไม่เลี้ยวซ้ายแลขวาไม่ถอยหลังเลยผู้มีสินห้าบริบูรณ์ไม่เสียดายอยากลวงละเมิดสินห้า ไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากจะถือเวทมนต์กลนละคาถาไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายเครื่องฟันหาฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นแหล่เนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพราป็นอาหารฆ่าขายน้ำเมาฆ่าขายยาพิษไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่น ไม่เสียดายอยากจะขอดเวนกับท่านผู้ใดเขามาทำผิดก็เออเราก็โกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวนพระสวสดาวันเขามาทำผิดกับเราถ้าหากว่าเราเคยทำผิดกับเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แลวกันไปซะเราไม่หวังจะตอบแทนถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะพ ร, ระสสดา์วันต้องไปแถวนี้ไม่ขอดเวนกับท่านผู้ใดไม่ถือว่าจะเอาเวนชนะ เ, เวน ถือเอาอันไม่เวนชัไม่มีเวนชนะเวนเพราะตบมือข้างเดียวมันไม่ดังพระโ ส, สดาบันถืออย่างนั้นท่านไม่ตอบสัท่านให้อภัยเลยโกรธอยู่แต่โกรธให้อภัยไม่ใช่โกรธผูกเวนอาฆาตจองเวนผูกไก่เก็บไม่มีในโสพระ ส, สดาบันมึงเถอะกูไม่ได้มึงฆ่านั่นกูจะเอามึงฆ่านี่กูไม่ได้มึงเหลี่มนั่นกูจะเอามึงเหลี่ยมนี้ไม่มีในพระโ ส, สดาบันถ้าผูดด้ใด ไม่เสียดายอยากลองละเมิดสิ้นห้า่าสัตว์รักทรัพย์ธุริดในกามพูดปดห ล, ลอกปลวงหรือดืมสตราเมไร่ก็ดีหรือไม่เสียดายอยากเล่นอบายยมุกก็ดีคําที่ไม่เสียดายอยากลองละเมิดมันก็เป็นของปฏิบัติง่ายที่ปฏิบัติยากก็เพราะมันเสียดายอยากลวงละเมิดมันก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติยากเหมือนน้าลายที่เราเวนทิ้งแล้วไม่เสียดายอยากเอาคืนมาอีกมันก็ไม่ยากนั่นที่มันยากอยู่ก็เพราะเสียดายมันจะเอาคืนมาอีก มันเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้ามันเห็นว่ามันไม่ไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษล้วนล้วนมันก็ดิ่งลงไปในทางถูกมันก็สอนไม่ออกเหมือนกันยิริยาที่เห็นดิ่งไปในทางถูกก็สอนไม่ออกยิ่งยาที่ดิ่งไปเห็นไปในทางผิดมันก็ถอนไม่ออกนอกจากจะเห็นเองเท่านั้นเหตุเท่านั้นพระบรมศาสดาจึงวางคําสอนไว้ว่าสันทิฏฐิโก้พวกท่านจงมีอิสระเห็นเองเถิดถ้าให้เราคมเห็นให้พวกท่านเห็น เมื่อพวกท่านมาเห็นพวกท่านก็ขบวดต่อสู้อยู่นั่นเองนะนะ น, นักนักพระพุทธศาสนตอะไาอย่างนั้นพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้จ้างถ้าจ้างให้เลื่อมใสศรัทธาแล้วถ้าหมดเครื่องจ้างแล้วมันก็ขบวคืนเราจะชนะชนะงเอาทรัพย์ที่ไหนม่กล้าปล่อยให้มีอิสระเห็นเองคนเรามันใจถึงทุกคนแต่ว่าใจถึงทางดีก็เป็นประโยชน์ใจถึงทางทั่วก็ทาโทษให้ตนมาแรงวัน ใจถึงทางกินมูดกินพูดมเมลแองพึ่งใจถึงทางเกษรดอกไม้ใจถึงทั้งสองทางอันไหนมีประโยชน์กว่ากันนั่นนั่นมลแองวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันแมลงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันก็บอกว่าคนหมู่มากมากไปเอาหมู่มากเป็นประมาณมันก็ว่าอย่างนั้นขั้งพุตธการเอาคนหมู่มากเป็นประมาณมีมีกฎเกณฑ์คู่ที่เรียนจบพระไตไปดกก็ตามถ้าความประพฤติของเธอไม่ดี ไม่ให้มาออกเสียงเลยนั่นนในที่ประชุมท่านขุนการเหตุฉะนั้นจึงได้แต่ของดีๆแต่วพวกเรามึงไม่ออกให้กูกูข้อจ้างเอากูมีเงินกูชนะไปโลกธาตุทั้งนั้นแต่ว่าไม่เป็นสุขถ้าไม่เป็นธรรมทีนี้เราชอบพูดกันว่าขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรขอความเป็นธรร ม, ม, รรมจะขอจากศาสนาไหนเพราะใครๆก็ว่าเป็นธรรมเป็นธรรมพวกที่ถือว่า ฆ่าสัตว์ได้บุญจะประขอความเป็นทางพวกเขาเขาบอกว่าเราจะฆ่าเองนะเป็นธรรมเพราะจะฆ่าจะข่าไปือ่สวรรค์อย่างนั้นเราจะเอาไหมเราก็ไม่เอานั่นน่นความเป็นธรรมจ้องขึ้นอยู่กับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งของชาวโลกอาศัยเครื่องวัดเครื่องต้วงฉันในก็ดีจะแตกฉานทำอะไรสักเพียงไหนก็ตามจะตั้งกฎอนไม้ก้อหูกก้ทักก้พวกก็ต้องมองดู คำสอนพระพุทธศา ส, สนาเป็นดิ่งถ้าไปเอียงเกลียวมากก็ไปไม่รอดนันั่นนั่นนั่นเรียกว่าอัตตาทิพย์ไตยอัตตาทิพย์ไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ ป, ประชาชทิพย์ไตยเห็นประชาชนเป็นใหญ่ถ้าประชาชนหนักไปทางไม่เป็นประโยชน์แล้วมันก็พามันไปตกเหวหมดนะ่นนั่ น, นพระพุทธศาสนาต้องเอาธรรมมาทิพย์ไต่ธรรมมาทิพย์ไต่ถ้าถก็บรรลุถ้่ถ้ากับดิ่งก็บรรัุ พระพุทธศาสนาเป็นธรรมระเทวดาไงนั่ง น, นั่งทุกยุค ท, ท, ทุกสมัยของโลกข้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกแล้วแทบกแซงอยู่ในโลกแล้วเสียงร้องไห้ร้องห่มเสียงสาบเสียงแฉ่งทะเลเวรทะเลภัยเต็มใจโรกธาตทะเลน้ลําตาไม่รู้ว่าใครเบียดเบียนใครไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกวุ่นวายไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย เหมือนลอรถที่หมุนอยู่นักไม่ไม่รู้ว่ารอบไหนเป็นรอบไหนนักใครจะตัดสินก็ไม่ได้นักนักเอา้าภาพท่าของรัฐมนตรีตาข้าวเผือกเขายังใช่กันอยู่ไหมท่านยังใช่กันอยู่ไหมทุกวันใช่กันไหมภ า, าพท่าบนบ่าตาข้าวเผือกใช่ใช่นะเอามาจากไหนก็เอามาจากผ้าพสังคารติของพระนั่นเองนักนัก สวัส ด, ดีคุณป้าคุณลุงคุณหนูคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอาออกมาจากไหนก็เอาออกมาจากอายุวันโนสุขังพลังของพระนั่นเองนั่นั่นปริญญาเอาออกมาจากไหนก็เอาออกมาจากปริญญาของพระพุทธศาสนาเองา ญ, ญ า, า, ดดาติรปริญญากําหนดรู้ด้วยการราู้ตีระปริญญากําหนดรู้ด้วยการพิจารณาปหาปริญญากําหนดรู้ด้วยการละเสียนัน่ปริญญาทางพุทธศาสนา นักทรรมตรีในทางพระพุทธศาสนาถ้าจะว่าในทางปรมัทุ์หรือวัตถแล้วก็คือพระโสดามันนักทมโทก็คือพระสัจธรรมมีนาคาันนักทำเอกก็คือพระรหัรใครเป็นพระเรียนเจ้ากรรมตรีผลตรีนิพพานนี่ก็คือพระรหาร น, นั่นเองพระเรียนเจ้าประโยคใครเป็นผู้ชนะ ใครจะเป็นนักวยเอกใครเป็นนักมวยแซมโลกก็คือคือพระรหัสมีพวกเดียวชนะโลกไปแล้วชนะกวาหลงของตนชนะโลกของตนชนะโกรดของตนชนะหลงของตนไปแล้วเรียกว่านักวยเอกนางงามในไตรจักรวาลในไตรโลกธาตุคือใครคือพระรหัสจะเป็นเพศหญิงเพศชายจะกูลต่ํำจะกูนสูงก็ต า, ามชาวนาก็ต า, ามชาวไร่ก็ต า, าม เป็นคนกยาจกคนขอขอตามถ้าใจไม่มีกิเลสแล้วจะแก่หรือจะหนุ่มงอมเพียงไหนขอตามก็เรียกว่านางงามชายงามในทางพระพุทธศาสนาขั้นที่สองก็คือพระอนาคางังขั้นที่สามก็คือพระจักราคางังขั้นที่สี่ก็คือพระโสดาบันเป็นนางงามขั้นที่พระโสดาบันรบกับกิเลสของตนได้เป็นเอกเทศไม่คืนมาขบวอีก พระไม่สงสัยว่าจะล่วงสินห้าอีกเดยวก็ไม่ขบทตนคืนเพราะถือว่าสินห้าเป็นเวรเป็นภัยจริงๆรถ้าล่วงละเมินเพื่อที่เกิดมาแล้วมีขีวุดยืนยงก็คือผู้เว้นจากฆ่าสัตว์แต่ชาติฟางก่อนไม่เบียดเบียนสัตว์มากแต่ว่ามีอายุยืนแต่ว่ามีโรคมากเปรียบเหมือนผู้เขี่ยนูดตีสัตว์ทั้งหลายแต่ไม่ใหถึงกับตายเป็นส่วนมาก ให้เขาได้ลำบากเหตนั้นจึมีโรคมากผู้ที่มีอายุยืนโรคไม่มีแต่โรคชะลาสิ่งเดียวก็เรียกว่าแต่ชาติก่อนไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทีนี้ผู้ที่มีทรัพย์สินมีอะไรก็มีผู้มาเบียดเบียนมีน้อยก็มาเบียดเบียนน้อยมีมากก็มาเบียดเบียนมากแตเพราะแต่ชาติก่อนเคยเบียดเบียนของเขาผู้ที่มีภรรยาและสามีเขาชอบเอาไปล่วงละเมิด และมีน้ำซ้ำสามีและภรรยาก็ละเมิดกันเพราะแต่คาดก่อนเราเคยละเมิดของเขาผู้ที่ถูกต้มตุนหลอกลวงอยู่เสมอเสมอเพราะแต่คาดก่อนเคยต้มตุนเขาผู้ที่เกิดมาเป็นว่าไม่เสียจริตพิษมนุษย์เพราะแต่คาดก่อนเศษของตานดื่มโซดาเมาเราผลของกรรมตามมานักนะ มันมีเหตุผลลึกซึ้งในทางพุทธศาสตร์นะนะอันนี้พูดรัตัดตอนถ้าพูดพิสดารมันยังข้ามกันไปหมดในเรื่องอันนี้สองสิบห้านักนะสีเลนะสุปติงยันติสีเลนะโฟคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตดัชมาชีลังหุโซทะจะเป็นกกสุขก็เพาะศีลจะมีรัพย์ทั้งภายนในและภายในก็พรเพราะศีลจะไปถึงพระานก็เพราะศีลพระานก็คือดับเตือนในวัฏสงสาร ธรรมชัติสูงยังมีอีกอักโณ่เบื้องต้นสอนให้ทำมาฮะเรื่องชีวิตในทางที่ชอบเบื้องกลางสอนให้ว่าปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัระทุกข์ารเบื้องท้ายยิ่งทำให้ด่วนเพื่อคนทุกข์ในวาระทุกข์ารคำสอนในพุทธศาสนานั้นหวงในคนทธทุกข์ในพุทธศาสนานโดยด่วนเมื่อไม่ยินดีในการฆ่าสัตว์รักเท้าทุติยกมในได้ทุนแล้วได้ทุนมีทุนอยู่ในอุ้งมือแล้วอุ้งมืออุ้งกิดอุ้งใจของเรา ไม่ฆ่าสัตว์และฆ่าปะทุเป็นนาการมีทุนในศีลแล้วก็จะทำพระเนรพลให้แก้คือจะดับเพลินในวันตาสงสารเรี่กงก็เป็นเป็นปันทิโตฆามาวะสังและบันทิป็นลูุครองเงือนก็หมายเอาพระสวดา์วันนั่นเองนจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำค่ตาถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดเช่นห้าถ้าเสียดายอยากจะถือศาสตร์เสดาอื่นอยู่ถ้าเสียดายอยากจะสาดแช่งท่านผู้อื่นถ้าเสียดายอยากจะล่วงอวัยวะ ถือถือเรายามดีก็เท่ากับเปลี่ยนพลุทธชนคนหนายังไม่แน่นอนส่วนพระสวัสดีวันแน่นอนแล้วอยะตายวันไหนก็ไปสุขติไม่มนุษย์ต่อสวรรค์น่ะน่ะเหลือดังนั้นไม่แน่นอนเพราะหลายบางทีน่ะนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะมันมีเวรอยู่รอบข้างพวมีเซนห้าบริบูรณ์ชาวโลกมีเซนห้าบริบูรณ์หมดแล้วสหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้อง ที่มันมีจำตำรวจทหารก็เพราะชาวโลกไม่มีสินหานั่นเองนั่นถ้าชาวโลกมีสินหาหมดทุกประเทศนี่ตำรวจทหารจะมีไว้ทําไมเรือนจําจะมีไว้ทําไมนั่นนั่นนั่นขายของจะไปเข้ากินทําไมจะไปเข้าทําไมอันนี้ราคาเท่านั้นอันนี้ราคาเทนี้อันนี้ราคาเทนี้ก็เขียนบอกไว้เมื่อของไม่เห็นก็มาเห็นเงินเขาเอาอะไรทับไว้เพราะมันจะพัดห น, น, นีนั่นนั่นเพียงสินหานั้นแหละโอกโอ้สงบแล้ว นอนก็ไม่สะดุ้งหวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่ควรเบียดเวียนพระพุทธศาสนาะก็ไม่ควรเบียดเวียนว่าจะปกครองก็ไม่ควรสนใจว่าจะปกครองกันแบบไหนนั่งนั่ น, น, น, น, นถึงจะให้เสมอกันก็ไม่ได้คนเกิดมาก็จริงอยู่แต่ว่าก็น่าสนใจในทางพระพุทธศาสนาะความดีก็ไม่ใช่ดีมาแต่ท้องแต่ในท้องก็ต้องมาปฏิบัติกันเหมือนกัน ถึงจะไม่อยู่ระดับเดียวกันก็ตามก็ต้องไม่เลื่อมลำไม่เหลื่อมลำกันปวกมดหัวหน้ามันไปทางไหนมันก็ต้องไปทางนั้นหัวหน้ามันไปผิดมันก็ต้องไปผิดน่ะหัวหน้ามันของสําคัญจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตไปในทางผิดต่กายวายใจก็ไปทางผิดเหมือนกันนั่นนั่นนัเห น, เนื่อยแล้วเนี่ยนี่ในชาติจึงทรงพระนามว่าโลคเวทูเป็นผู้ผูกแก้แจ้งของโลกกุฎิสาธรรมชาติสถิตศรชาตาเทวมือรตานั่ง เป็นผู้สานของเทวดาแล้วมันทั้งหลายเต็มภูมิเลยนั่นนั่นั่นนั่นนั่นแต่ชาวโลกทําไมลูกอินูอินีนั่งคำจอเป็นผู้สูงกว่าพระพุทธศาสนาเบียดเบือนมั น, นก็ตายเอาตายเอาตายเอาชิบหายเอาชิบหายเอาชิบหายเอาป่งโปเป้ยๆอยู่ทุกผนทุกแห่ง ท, ทุกยอดหอือถ้ามไม่มีพระพุทธศาสนาแท้แท้ในโลกน้องให้น้องหอมจะเป็นเสียงภาวนาบริกรรมพุทโธจะเป็นเสียงสวดมนต์ทะเลน้าตาทะเลเลือดเสียงสาบเสียงแฉ่ เต็มใจโลกธาตุปีนของโลกธาตุก็เหมือนพระเสาเสาแม่ฟังพระเสาไม่ทัานพระฝังแม่ทันนัก น, นัก น, นักชาวโลกไม่เอาคาําสอนพุทธศาสนาเป็นแค่ื่อนมันก็เป็นกบเลือกนายมดโลกนักมีแต่นกกระสาไะไรจับกินเพราะนั่ตัวเสือ ต, ต, ตัวก็บุญไว้กบผูกนังนงนัง น, นัง น, นังนผู้ปฏิบัติเพือ่อพนทุกข์ในวัฏสงสารทําไมจะไม่รู้จัก ผู้ปฏิบัติเพื่ออะไเพื่อยศมันไม่รู้จักหรอหมู่ของกูยังไงจึงจะได้มากมันก็เอาเทา่านั้นนั่นถูกไหมเออ <c oughs> การวางแผนในหมู่ในฝูงนอุบายอะไรมันจะเป็นประโยชน์แกหมู่ของกูกูกดันงสุลังมันไม่ยอมให้กันมันไม่มีธมรรมะที่ปไตยคำสอนพุทธศาสนาะเป็นธรรมะที่ปไตยไม่ใช่อัตตาธีปไตยธรรมะที่ปไตตัยจเข้าข้างอัตตาธีปไตยไม่เข้าข้างโลกโลกาที่ปไตตัอ๋อถ้าจะเอาคนเสียงหมู่มากเป็นประมาณเป็นเกณฑ์ ถ้าคนมูมากถือว่าไม่มีบาปไมีบุญเราจะเอาไหมนั่นเราก็ไม่เอาถือว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราจะเอาไหมเราก็ไม่เอานั่นนะั่นนะั่นนะั่นพระว่าศาสดาว่าเอาคนมากเป็นประมาณในบางกะรีไม่ได้เอาทั่วไปเอาเป็นบางกะรีบางกรณีที่เอาคนมากเป็นประมาณบางกะรีนั้นต้องเลือกคนซะก่อนผู้นั้นเรียนจบพระไทยพิดก็ตามไม่ให้มาออกเสียงนะถ้าประพฤติดีถ้าประพฤติ ด, ด, ด, ดีเพียงเล็กน้อยก็เอาได้คนดีมาเป็นหมู่ คนยวก็เป็นเครื่องโอปุ่นได้คนคานมาเป็นมหมูเมด่อไตรกับท่ า, ม, ามันก็เป็นโอปุ่นคนหนึ่งไม่ฆ่าคนหนึ่งคนหนึ่งเขาฆ่าคนหนึ่งถูกไหมนั่นวันที่โตขาลามาวัสังวันทิศเป็นผู้ครองเรือบันทิตเป็นนาย ห, หน้านัทิพราพระนายนากาคนคานไม่ใช่คนหัวหน้าเน้อนักนักนักนักเอาคนไม่ถึงมาพุทธชาติสนามาเป็นเจ้าวัดดูๆเอาคนผู้ผู้ไม่ผู้เห็นแก่ตัว พูดมาเห็นแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเอามาเป็นหัวหน้าในในวัดมันก็ไม่เจริญเอาไปเป็นหัวหน้าในหมู่บ้านมันก็ไม่เจริญเอาไปเป็นหัวหน้าในประเทศชาติบ้านเมืองมันก็เจริญนั่นมีแต่หาอุบายกินหมูเท่านั้นแหละกินแบบไม่ดูกระช่องแตกเหมือนพราม์ใช่ไหมกระช่องแตกไปไล่พวกเราใช่ไหมนั่นนั่นนัพูดน้อยเปิดกระบายพูดผูดหลายก็่พวกพวพเขาใส่รางวัลให้เอาการเทื่ให้หลวงปู่นี่พกพวกพวกตายเทนั้นเองถูกไหม S 1> <S 1> <N ic> นี่คุณเธอมีพอได้หรอไงมันไม่โจมตีใครพูดตามเป็นจริงดิงมันโจมตีใครมันอยู่ยังไงมันก็ดิงอย่างนั้นมันไม่โจมตีอันอื่นดิงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่โจมตีใคร <S <S เป็นดิงเลยไม่ใช่ธรรมะของเราธรรมะของพระธรรมาองพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่เราไม่อวดอ้างว่เาเป็นธรรมะของเราเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพูด พ, พดระพุทธเจ้าพูดอะไแล้วเราจะรู้วิเศษสักเพียงไหนก็ตามเราก็ถือว่าเป็นน้ำลายของพระพุทธเจ้าอยู่นะเราไม่สําคัญตัวจะมาดุมาะมา อะเอียดเรื่องเราตั้งไงเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาถ้าอย่างนั้นพระตไตรปิฎกเอาไปเอาไฟเที่ยงวัดซะนั่นเราจะบอกอย่างนี้นอนเท่าเดทําทำไ น, นัถ้าหากว่าหลวปู่กแก้มพูดก็พระตไตรปิฎกก็เอามาจากพระตไตรปิฎกไม่ใช่เอามาที่เขาไปต่มาจากพระตไนน ต, ะตรปิฎกนอกสักธารเทีมมโนแสนัเป็นผู้สอนของเทวานุตสตังหลายสัจงสัพยัญชนะงเทวราชปริชนั ง, ก, นงกุลชุดทางคาัจจะยังประกาศเสีสิบวดบนนี้ช่างอัฏฐะ ทั้งพลังทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งพรมสมบัติจึงเรียกว่าบริบู์แล้วเนี่ยเราถือว่าพระพุทธศาสนาะสอนในบริบูลเราจะหาสิ่งอื่นมาโดยมาภาพมาข้าวหัวข้าวหางพระพุทธศาสนาะน่ะเอ้าเพียงในชิ้นทบอลบูเท่า น, นั้นะโลกทั้งหลายสมบูรณ์แล้วนั่นตำรวจไม่ไว่าทำไมทหารไม่ไว่าทำไมโซ่ตรวนไม่ว่าทำไมเพียงชิ้นทบอลีบูลเท่า น, นั้นแหละเอ้าวัดไหมใครก็ตั้งถูกใครก็ตั้งผแต่ตั้งแล้วไม่เข้ารล้ไหนนั่นะ ผู้ตั้งกฎอนไมก็ไม่เคารพกฎอนไมจะให้ผู้ไม้ตั้งก้อนไมมันเคารพยังไงมันจะอันเดียวกันนะถูกไหมล่ะแต่ว่าผู้มันมีบาปผู้มันเที่ยวมีบาปมีบุญทั้งเคารพเองมันแต่มันมีน้อยแต่มันไม่ร่วงแล้วเมื่อแต่ผู้ที่มันไม่รู้จักบาปจักบุญมันก็ไม่ยึดไม้เคารพสิผู้ที่รู้จักบาปจักบุญนะเขาใครจะพาทำงไงเขาก็ไม่ทเนี่ยสําคัญนะจะให้คนเสมอกันก็ไม่ได้ทุกถูกอยู่แต่ว่าให้ถือว่ามีบาปมีบุญพอแล้ว ไม่สน่าการก่ตามถือว่ามีบาปมีบุญถือว่าคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนของเราโลกแล้วเท่านั้นพอแล้วสงบแล้วถ้าหาว่าถือว่าจริงอื่นไงมันดีเด่นกว่าพระพุทธศาสนาไปอยู่มันก็ไม่ลงพระพุทธศาสนาใช่ไหมนั่นถ้ามันยังสําคัญนะมันฉลาดกว่าพาระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาโง่กว่าเรากว่าลัทธิใดๆต่้งที่อย่างนี้มันก็ไม่ลงทําไมมันจึงไม่ลงก็เพราะว่าศาสนาของมันไม่สมฐานะพระพุทธศาสนามันก็ไม่ลงซีสุชาดีมีอยู่ฉั้นสนใด เราโกรธให้พวกเขาใช่ไหมถือพระพุทธศาสนาเมื่อกี้เท่ากับว่าโกรธให้พวกคนตาบอดว่าคนเข็มนั่นเองเอวันแคดีกว่าคือไหมพระพุทธศาสนาเป็นของสูงผู้ที่จะเลือกใช้พระพุทธศาสนาไม่ใช่คนขี้โง่พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่กับหนังสือภายนอกอยู่กับนนหนังสือใจของใครของมันอยู่กับใจของใครของมันไม่ได้อยู่กับนนหนังสือภายนอกเช่นบาปอย่างนี้ตบอชาติตบอ บาปมันอยู่ไอตบอสะอาดกับกบอรอยู่ห้อใจคนที่สร้างขึ้นบุญไม่ตบอร์ชัดอู้หญิงไม่อยู่กับตบอสรุชยอผู้หญิงอยู่ก็ห้อยใจคนที่สร้างขึ้นสร้างบาปขึ้นแล้วไม่ประสงค์ได้รับได้รับการเสื่อมก่อนขาของเหตุสร้างบุญขึ้นแล้วก็ไหลเข้ามาสูใจสร้างบาปขึ้นแล้วก็มาไหลเข้ามาสูใจแล้วทําบาปจะไหนไหนไม่มีใครรู้จักไม่ไม่ไม่มีใครมาทักท้วงเราเลยเราก็ยังเดือดร้อนเราทําดีส่วนไหนไหนไม่มีใครมาทักท้วงเราเลยเราก็ยังอุ่นใจนั่งนั่ ถึงไหนที่ทำแล้วเดือดร้อนถึงนั่นอยากไปทำนะเครื่องทดสอบบอกถึงไหนที่ทำแล้วมัเดือดร้อนถึงนันต้องทาเถิดนะเครื่องทดสอบก็มาบอกตอนนี้อยู่นั่นกันนะนะทำนะเอาละเอวังซึ่งจบก่อนเลยไปเหนื่อยแล้วเอาต้องซื้อมาให้ไะสมบัติสมสมบัตินิพพานสมบัติเต็มภูมิอะไรางเงี้ยแต่เราไม่เข้าใจว่าเราได้สมบัติดีได้แก้กับทรอยสู้เข้าสุกเข้าสารมาเล็กเดียวก็ไมได้ว่าแล้วพวกู้เสียเป็นอาจารย์อ่นะ ท่ e นอนวพุทธเจ้าดูห้องเห่าว่าไรสัตว์่ท่านสมัยเขาละสมัยสวรรค์ว์บัตรเซตัวละสมัยพูดท่านสมัยเรตายออตายเอาขากันมืดมืดดื้อเนียนะพู้ถิงเผากันจะบ่งนีท่านสมัยไรเนี่คือได้ว่าขอเจ๊ข่าวตัวบอกข่าท่านจะเกลียร์เราอพูจน์ว่ไไหนเราก็นอมซะแล้วกับพวกน้นเาิดน์เราอมเาถืนเาขอรักษาไว้เจ้าคนเทาอันนี้อันนี้จะเห็มันถึก เราที่เอาบัตรแล้เดีนยวี่ยมันผิดแล้วนี่จะพลหันเตียมโลกน่อนบะตามคนตามพิดเตียมตนห่อบุปผัสดื้ทำถือไว้ใพองเจ้าพกไหนสัน่เมหรจังสีได้้อนหอนี่อันควถึกงานกันตุนจางมนตามบัตรควบดที่มันตัมจุนจางมัางเวจังหับอ้ควบทุบถือมานีรหัโอู้ผิดมัยอมรับผิดพูดถือว่าให้คะแนนว่าถืออันถือมันได้ บุปผาเป็นิษบเอาอันี้เป็นแ่งตัสินเอาาสอนพุทธเจ้าเแ่งัสินขอความเป็นธรรมก็เอาอันเป็นขอความเป็นธรรมเาขอความเป็นธรรมจากพระพุทธเจ้าขํามสอนพระพุทธเจ้าี่มันจะเอาขอความเป็นธรรมในศาสนาอื่นมมขอจะพาเจ้ไปสวรรค์มันจะวางเสียแลจะวางไนสียเดี๋ยว่าทนนั่นขาสอนพุทธเจ้าจะเป็นสมานได้ ในไต่รกระชาษทุกยุคทุกสมั ย, เ, ยเขาเบีย น, นเบียนสร้างซ้อนพระพุทธเจ้าแต่ทางเบียบนไม่ในไต่รสกระชากเนเบไตโรกษาษาโระากเนี่ยิมาม่ว น, น้ำลายม่ว น, น้าลายจนฝ่ามาันถึงหมันก็ตกนนาเจ้าของน่ะสร้างว่าเขาก็เบียเบียนพระพุทธศาสนาทำไมมันจะพันได้ถอดได้หรอผมเห็นไต่ได้จะขังพระพุทธเจ้าองค์ใด้ก็คือขังคือพมะโมคลลานี่เนี่มันเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าว่าหายพระพุทธเจ้าสร้างซ้อนไดอกก็สั่งคง่สร้างสอนเองนะะ ห้างหัวจักต ok nee, ัวได้ด้วว yes, ่าั่งห้ามม้งตัวได้ด้วยตัวมันบุฟฟต์จะกลุ่มเขาได้เดี๋ยวนี้ว่าสั่งทีเรียกตัวก็เต็มตัวยัง้าสจะทำหน้าที่ตัวให้แงแรงห้าวนหวเกาอีได้ด้วยว่าสั่นห้าหัวอะมันจะเชื่อมได้เดี๋ยวนี้ว่าสั่งคว่าขพระุทเจ้านะรบายนิมุมันเป็นข้างคีบห้อยะเอใช่ท่านเห็นกองจับมาแม่นดอกบัวเห็นเก็หัวไปเลยนไปผูกเอเลียนะรบายมกมันกินให้กินหน้ากินหัวกินสวนัว อบายยมุกมีพอดีผ้าแนวบ้างเฮ็ดลงยึดถูกอาบายยมุกหมดแล้วก็ขาโค้งมุนกับมวยั่างเอาปเดียนอับายยมุกหมดพ่อแม่ปั่นหาให้หน้ามุนก็แต่ไปเฮ็ดนู่ห้องมันทังนี่ยอาไปซีทังขาเทียงเงินไว้หาส่วนเห็นส่วนค้าว่าไว้เทียงเงินไว้เห็นส่วนค้าว่าไไม่ได้ตั้งคดอนไรขึงก็เพื่อประโยชน์ทับของต่อของถึงทําถึงไม่ไหนบริวานัดเฮ็ดล็อกไปแล้ว ข้างในมันสิไลเขามาหาโตหายไปปันปลาบางดนี่ตัวได้ไงเอาแส็ของโตซู่เทืม่เียมันก็ไม่ไหวแล้วบเปลี่ยนไปให้ผู้อื่นเถอลอนั่นแะของพอของแมเป็นเนวหนึ่งนภาภาของพอของแม่ะของผู้วาจานโลกอันนี้มันเป็นด้วยสันมันเป็นมันเป็ี่ยนมันเปลนสัตมันมีกิเลสมันบ่ิสกิเลสมันแจ้งใสรแตกิเลสได้ไหแจ้งแต่ฟื้น มาหายมัสนะไฟให้ใไหมมัชนามื่อไหร่ก็ไม่หมดเนี่ยบวลดำแนงไฟออกเรื่องเครื่องบวชใต้กิเลสทั้งหลายกิเลสบะมียินราผมว่าจินเป็นระยะระยะมันก็เปี่ยนดอกมันนอกเป็นระยะผมกบอกมันกีผเงียเป็นระยะก็บอกมันเป็น่าเป็นระยะขับบะบอกคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่อนที่นึ่งหลุดร้านเยอะมือตัวเชืไปเสื้อผู้ใดเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือเสื้อใจของเขานี่ เือดอื่นคือเสือพญาม่านพญาม่านมาโดนใจเฮาบรรดาในเชือดอื่นพระพุทธพระธรรระสงฆ์มาดนใจเฮากับบรรดาในเสือดเาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันตัวพญามานมาบันบันโดนดานเฮามาดนดานใจเฮาเฮากับเสือพญาม่านนตัวนี่ว่าวันนี้อีกสักวันเฮาบอกว่าพญาม่านมาดัดานเฮาเฮาเรียเรียมใส่โตพระพุทธเจ้าขันเท่าเลียมใสพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้ามาบันดนดานเฮาเลียมส่อันตัวเรียมใสพญาม่านกตว่าพญาม่าก็มาดนบดานเฮาเลียมสเนี่ยเฮาบ่คงจั นี่าจักผีเขาอ่อนผีพงามาเข่ากี้เขาใจเฮ้าเพราหาเรื่องสพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าม้นผีแต่คุนทเ้งนในบ้านเดีอดใส่ให้เฮามาบรรดาดัานให้เฮาเรื่อไสพระพุทธเจ้าเขาสิงแล้วถอนเราออกเราเข้าพระพุทธเจ้าเขาสิงเขาแล้วท่านถอนออกพวกผู้ผีเขาสิงแล้วผู้รัที่อื่นเขาสิงแล้วนก็สอนออกที่สัานเนะเอาถูกคนถอนาออกอันไหนมันสิีกันเอาผู้นึงใจถึงพระธรรม้พระธรรมปสงค์ผนึงใจถึงสัังรักที่อื่นเอา พื่อได้ก่ถึงพื่นึงแก่ถึงทา้งทั้งบาปเพื่นึงก่ถึงทั้งทังบุญเมื่อแงวันแก่ถึงทังกินแก่้อนอนทังกินหมดกินขวดแม่งเพิ่อแก่ถึงทังกินกินแกอนเราไม่เอาเนี้อิหอมเขากันเอาเฮาพี่างเาบ้างทกเขาใจถึงัสนว่าชวนเฮาเอาไว้เงวหนึ่งวนคนเฮ้าใจถึงคูคนรูคนแต่ถึงั่นดีมันก็ดีต่ถึงทั่งชัวมันก็ัวสว่าแม่งนเขียวใจถึงทังกินหมดขวดแมงเพื่เพิ่อใ่ถึงทังกินแกซอนเราไม่เากหก ประาธิปไตยของมันเท่าันมันกล่าวประชาธิปไตยของมันมันกล่าวประชาธิปไตยของมันมันกล่าสังคมนี้ของมันม um> um> ันก um> ่าส um> um> um> um> um> um> um> ังคมนของมันนะคือกบเหมันห้องลเกเกเก็ะสมันห้องเข็กหน้าเพะว่าแหน่นมันสีเลือยางนนั่นแหนองเค้า yes)> ฮ้ไปเอาตะนืเนยอนสีเลเอาล้วเปา เอาละเอาครับโตโตยี่ใสสวยใสสวยใสนี่ใสนี่ทอไันข้าวาแห้งโคดรนั่เป็นไรแล้ากเกินอะไเนบาร์ข้าวกันปีสีคลืมตัวปีตีจำแค่แต่ลูกโซ่กับพดกนอกนอกคือพื่อนีตีหมอบแล้วมัจนวาสิมันแตกวันพยักปีสีกันนปีตีจ็แส่ใสน้มันเียว อันนี้ปีตีอิ่มใจจะได้ฟูกโตแกับพ่อตาแมนบอกตาไม่จบไม่จน้องกูก็เป็นคนโคตรทุ่งสิละน้สมอยากเห็น่ะอยากเห็นโอ้ยกูอยากเห็นเนไปบ้างหมดโคตรโลดกลาหนาพวกยุ่มไม่เกบ่าวางสัตว์หมอไปหันเป็นชุบชุบชุบชโอ้ยลพันธุ์นี่เห็นยังมืเห็นไม่ขอแล้วเ๋วะ เขาบกให้ลกูกภูมิเอาลายเลวเมือรักเมือรักเมือรักรอยคาหนึ่งเลยเมือรักเก่าจุดข้ามแามาหนีตนาลานหนึ่งล่ะจะเชียเ่ยจนะักจัดอย่านง น, านาี้ น, น, นะ น, น, นเะเหรียญพระพุทธเจ้าเรนีเหรียญท่านเหรียญศีลเหรียญพรวนาะเหรียญแหวนปฏิบัติยึดปฏิบัติใจเหรียญพระลูกูมิมันจะเหรียญท่านเหรียญศีลเหรียญพวนาน เยก็กระัสมกันอันนี้เรากรแล้วนะลูลเลี้ยงหรอลกผัวอะไรเขาูกัวก็อยู่นี่หรอไม่มีลกผูมันรเออลกผูมันลกฝนเออดีลเอาัสอาปยาได้สินยาได้ักสตะบันเอาซักยากสีได้รวงละเมือห้ายากสีได้รวงลเมื่อตะน อยากเสียดายเล้วซื้อปูดผีปีศาอยากเสียดายอยากเสียดายแล้วซื้อยาดีงาีอยากเสียดายขอดเวรท่านคนใดปดอยู่จะไม่ขอดเวรเคยทก็เข้ามาแต่ชาก่อนให้มันแนบปะซกรมา่อใมให้มันแนบประซกรมาม่ขอดเวรแต่ว่ากวดไม่ขอดเวรไม่มีเวรอาฆาตจองเวรถูกใจเก็บม่นึงเนี่ยค่าขายเชื่าไมคาขายุเนี่ยค่าขายสัเป็นเนอสัตที่ตัวาดุเป็นอาหารน่ค่าขายนมอ๊อดคาขายาพิษนี่แะกลุ่มของกระทรวงดานัณฑาน ถึงว่าพูก็ทำว่าสองผูกขาดจองขาดจะภาวนาเรื่องไม่ภาวนามันก็ภาวนาอยู่ในตัวเพราะมันไม่เสียดายร้องระเมิดสิ้นห้าเนี่มันไม่เสียดายร้องระเบิดระ่ายสมุขพระทำไหมมันถึงไม่ใช่ได้เพราะมันเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ถ้าเห็นว่าเป็นทางชิ้หายถ้าเห็นว่าเป็นทางเจริญก็ไม่ใช่พระสัสดิ์ันเพราะยังเข้าใจผิดถ้าเห็นเป็นทางชิ้หายจึงเป็นพระสัสดิ์อันนะนี่เอาเอานี่แหละเป็นเครื่องวัดจะภาวนามันยังทำตลอดรุ่งก็ตามถ้ายังเสียดายร้องระเมิดสิ้นห้าถ้ายังเสียดายอยากจะสาบแช่ ท่านผู้ใดผูหนึ่งเสียดายอยากเล่นอวบายยังรู้อู่เสียดายอยากถือผีถือสาเสียดายอยากถือเหลืกดีงามดีเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันถือเหลือดีามีคิดทั้งนั้นถ้าป่วยมาก็ไปหายามารักษาหายก็หายมาหายก็ตายทามทุกพระทุกาสประสงค์นั่นถูกแล้วพียดอรมาทําพียดอะมาทาไม่ถูกไปแล้วอยนี้ออกจากพระศานปสงไปแล้วเอาล่ะอย่านี้บุกขท่ายังอยีที่มาในทีนี้ก็มีอาพอสอสาบ แล้วก็แชราค่าสัตทําไมต้องเลี้ยงแราค่าสัตวเพราะถือว่ามันเป็นเวรเป็นภัยจริงจิงถ้าถือว่ามันเป็นประโยชน์อยู่มันก็ละไม่ได้สิ่งไหนที่ถือว่ามันไม่เป็นประโยชน์มันก็ละได้มันก็ไม่แชร่าอย่าลงร้อนระเมิดเมื่อไม่ใช่ได้อย่าลงร้อนระเมิดทุกใจ <literacy> <Course. S 2> มันก็ไม่มีมันก็ไม่ระวังหน้าเนี่ยความดีรักษาเขาไม่ใช่เขารักษาคีามหรือความดี ร, รักษาเขาไม่ใช่ขขเขารักษาความดีสิ่งที่เขาไม่แชร่าอย่างร้อนระเมิดสิ่งที่เขาได้พิจารณาเนี่ยความดีตอนนั้นมารักษาเขาเขาไม่รักษาความดีความดีตอนน้าาามรักษเเขลย พอใจแล้วนะไปถ้าเราขอรักษาความดีเป็นความดีเฉพาะก็เรียกว่าาไม่รู้จักความดีชับเมื่อรู้จักความดีชักแล้วจะไปรักษาทำไมเพราะไม่สำคัญว่ามราจะหาเจอไหนเพราะเราไม่สำคัญว่าเราจะไปล่วงแล้วว่าขาดรักษาประชุดพิธากรรแล้วจะรักษาทำไมแล้วก็ไมรักษาติถูกไหมนัไนี้อะไีนมโก้เอเอ อจ้าองเจ้าฟงหมอศยาศาสตร์ว่านหอพุทธศาสตร์ศยาศาตรนั่นพุทธศาส์พุทธศาสตร์ว่าจะต้องเสริมว่ให้เงินศยาศานั่นก็ละสายเนาะนั่นก็ละสายเลยเออละสายคุณได้กระส่งท่ามัดแล้วกันเฮ็ดดีกส่งทํามดีเฮ็ดชัวกรส่งทําชัวสว่าจไหนสั่มอสั่ว่าคันนึกกังดีกส่งท่อมดีคันนึกชั่งชัวกส่งท่อมชัวว่าจาไหสั่ เฮ้ยกรส่งถ้ำวัดเนี่ะกามาวจระพูมท่านองเที่ยวอยู่ในกาดูปาวจระพูมท่านองเที่ยวอยู่ในรูปอรูปาวจระพูมท่านองเที่ยวอยู่ในอรูปพวสามภูมิี่ภูมิผู้ใดก็อยู่ในภูมิาผู้ใดห้บาตรกมตภูมิบาอายในหันหรืว่าผู้ใดห้บุญกมิตภูมิบุญอายในหันอยู่ในใจงนี้ว่าองกัโดว่านี่พระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้อันนี้กระส่งถ้ำัดก็เขียดมุ่งกระส่งถ้ำวัดสรงกรรมของมันมันสร้างวัฏจักรกอนมันอยู่ระดับตำโอเคใช่ไม เาว่ า, า่องท่อมันเป็นคํากางเลยพะันกับ่องทมเนกัท่อง่อง่มเหมือนกั น, พ, กก น, นพระเทวทัต ก, ก็บงท่อ่มดรหกคนท่อมาฟบาตรสิว่าอย่างไรส่แต่สมวนมูนดโลกนี่ตามความดังพพู่อมํานีก็พูดตาคมความเห็นของโตบอกเอาคาสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นเวนเอาตามอัตโนมัติของโตเรืเ่ไมตามอัตโนมัติเรืยน้ำบรรทัดหรว่าอย่างไรสิ่งเรื่อบวชแ็ดน้าดิงวดดีตัดิงบดดีตัละน้าน้า นี่กลมันเชียงเราว่าต้องเอามากอะเนาะสั่นเอามาใสา่มันมันว่นนไรซะนะเ <c oughs> ขาใจบอกเ <c oughs> ขาใจวันดีกพระุศลาสตะวันดีต้องบรทัดวันดีตอดิ้งสร้างใหม่วันดีตองดิด้งพ น, นเไปได้เ ม, มากเลยจะโยกไหมเสามันบ่เทียงเ <c oughs> อาไนั้นเนานะก็ว่าไรมัวไปฟุ้งเฟิงห่อไก่ แต่ปุกยไม่พดเขาซืคนทีผ่านก้อนเขาหรอแต่ปุ๊กบาดยังไเหตุผละไร่ืลุกๆทีว่าจังวลุกๆพัดเขาซื้อคนทีผ่านก้อนเลยหุไูปุกเข้าอตัวบ่น้เงาตัดอไรหรอนันเสียไปสเอาโมโหโธ่สมาบวกมันก็ไม่ชนะหรอกเครืงใหญ่นัเอาไฟบวกไฟมันก็ลุกนึนเอาหน้าบวกหน้ามันจิงจะ่เย็นนะกไหนะ เอาเวรบวกเวรมันก็มีแต่เวรเวร์ฉนองเวร์ภัยฉนองไัยสิ่งที่ไม e ่เวรไม่มีเวรก็สนองสิ่งที่ไม่มีเวรเมื่อก็สนองเมื่อดีก็สนองมีชั่วก็ฉนองชั่วทําบาปก็สนองบาปอยู่แล้วทำบุญก็สนองบุญอยู่แล้วรับตาก็ฉนองเมื่อลืนตาก็ฉลองเห็นบังมาอยู่ห่างกันเพราะกล่าวเหตุรับตาผลกว่ารับตาเหตุเมื่อผลก็เมื่อเหตุสว่างผลกว่าสว่างเหตุต้องสัยผลกว่สงสัย เหตุนั่งผลก็นัเหตุนอนผลก็นอนเหตุจับผลก็จับเหตุีสผลก็มีสิเหตุร่างผลก็ว่างเหตุรู้ตัวผลรู้ตัวเหตุไม่รู้ตัวผลก็ไม่รู้ตัวเหตุก็ผลไม่อยู่ห่างกันพ้าเมื่อเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพเก้าแล้วก็จงเลือกเหตุทำทำมันเนตาเป็นผู้ตักเหตุผู้สัว่สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งจุสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งจุกานเี่ตามเป็นผู้รู้จักผลผ้สักวส่งนี้เป็นเหตุแห่งจุดสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งจุดนั่นนั่นน วาระเพศจะบนบานให้มันหวานมันก็ไม่หวานสินะถูกไหมเราไปได้อบายยมุกจะบนวานให้มันเจริญมันก็ไม่เจริญถูกไหมเพราะเหตุของมันชี้ภายตรงๆอ่ะอภัยยมุกแต่ว่ามันชี้ภายอยู่ที่หน้าชี้ปากนะนะเราจะไปแจาให้มันสิ่งที่มันมันเกินไปทางชีบภายเราจะไปแจาให้มันเป็นทางเจริญมันก็ไม่มันก็ไม่ไปเว้นไว้แต่เราเว้นสิ่งนั้นเสียนนะ